ความในคำพีคุตการนิกายพุทธวงศ์นี่มากลับมาถึงกับนี้จนได้นะกับปัจจุบันนี้จนได้ก็คือเหตุการณ์ผ่านไปหลังจากที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระนาว่วาเวสภูดับขันปรินิพานกับนั้นก็อันตรธานสูญสิ้นหมดสิ้นไปโลกว่างจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น29กับ อนนะระหว่างนั้นอ่ะกับที่หนึ่ง 6, 7, 8, ส10ี่หปดถึง 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29กับศูนย์เปล่าจากพรารตนาตรัยไม่มีพระพุทธเจ้าเลยอ่า น, นะคำว่าพุทโธนี้ระหว่างนี้ไม่ได้ยินเลยมีอยู่บ้างคือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีบ้างแต่ไม่ได้หน า, นานแน่นไม่ได้มีเยอะเหมนคำว่าพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคาว่าอริยสัจจะไม่ได้ยิน ศูนยะ์เปล่าจากพับคําสอนถ้าถามว่าเหมือนอะไรก็เหมือนโลกนี้ในปัจจุบันโดยมากก็ศูนย์เปล่าจากคําสอนอยู่แล้วเนี่ยนะก็ศูนย์เปล่าจากคําสอนศูนย์เปล่าจากการกล่าวถึงอริยสัจธรรมศูนย์เปล่าจากการ เ, าเรียนอริยศาสตร์เรียนพระธรรมเป็นต้นอย่างอริยศาสตร์เนี่ยมี4ใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรตนะอริยศาสตร์นี้บางทีก็เรียกว่าธรรมะอริยศาสตร์มี4ชาติระ อ, อริยศาสตร์คือทุกสมุทัยนิโรธ มักแล้วตอนนี้ก็ท่าทุกขศัสตร์ก็พูดอยู่คำเดียวคือธรรมชาติ น, นะสมุทัยก็คำเดียวตัณหานิโรธก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่รู้มันคืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะมักก็บอกว่าสติบ้างวิปัสสนาบ้างก็คืออย่างละนิดอย่างละหน่อยค่อยๆเลอะเลือนบเบลอไปเรื่อยๆในที่สุดก็ศูนย์เปล่าหายอันตรธานไปจากโลกแต่ยังไงยังไงก็เอาเธอเนาะอย่าเพิ่งหายไปจากใจเราเลย ตั้งแต่เช้ามาถึงบัดนี้คิดถึงกี่ครั้งแล้วนะก็มาไล่ดูว่าใกล้จะศูนย์หรือว่าใกล้จะเจริญก็สังเกตเอาอะนะว่าศาสนาไม่ได้ประดิษฐานอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้าซากอิดซากหินซากดินซากภูเขาเหล่ากาไม่ได้อยู่ตามอาคารสถานที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ที่ใจของผู้มีศรัทธาเนี่ยนะใจของผู้มีศรัทธาดําเนินประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยกายวาจาใจไปเรื่อย คำสอนก็จะไปเดชสถานอยู่ณที่นั้นแต่ถ้าหากว่ากายวาจาเหล่านั้นใจเหล่านั้นไม่มีคําสอนเขาก็อยู่ห่างไกลพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมต่อให้มีบ้านอยู่บริเวณที่ตรัสรู้ก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้มีบ้านอยู่แถวแถวที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักรก็ไม่มีผลนะต่อให้มีบ้านอยู่ใกล้ที่ปริณิพานอย่างเก่งก็ไปขอทานอยู่แถวนั้น มันก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาพระพุทธศาสนาก็พยายามที่จะทรงจำระลึกถึงประธรรมคำสอนโดยเฉพาะอาริยสัจเนี่ยนะอริยสัจนั้นคือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมากที่เราจะต้องกำหนดจดจาหรือว่าอย่างธรรมจักรกับปวัตนาสูตรอธิตะปริยยสูตรอนัตตลักณะสูตร พวกรัตนสูตรพวกสูตรเหล่านี้เป็นต้นต้องทรงจําให้ได้ถ้าจําไม่ได้ก็ว่าให้บ่อยๆให้ชํานาญให้เป็นความรู้สึกนึกคิดใช้คําว่าเป็นจิตเป็นวิญญาณของเราไปแล้วเนี่ยนะเป็นสัญชาตญาณเป็นความเห็นของเราไปแล้วว่าเรามีความเห็นแบบธรรมจักมีความเห็นแบบอทิตตะเปริยสูตรมีความเห็นแบบอนัตตะลักขณะสูตรเราเห็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เข้าใจวิปราชคลาดเคลื่อนไปจากนั้นเลย แล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็ความเจริญก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าความรู้ความเห็นความนึกคิดของเราเนี่ยขัดกับคําสอนอยู่เสมอขัดต่อธรรมะจักขัดต่ออาธิตตาเปรยสูตรขัดต่ออนัตตลักษณะสูตรขัดต่อโลกานิโรธสูตรเป็นต้นยากที่เราจะเจริญงอกงามในพระาศาสนาเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ถือยึดเอาหลักคําสอนเหล่านี้เป็นที่มั่ง เป็นที่มั่นการประพฤติขัดกลาวบาปอากุศลธรรมของเราก็จะไม่เจริญเพราะเราก็จะไม่ยินดีในการละอกุศลและไม่ยินดีในการเจริญกุศลและที่สำคัญไม่เห็นคุณคุณค่าของการเจริญนิยานิกธรรมการเจริญคุณธรรมที่นำออกจากทุกคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เราก็จะไม่เห็นว่าองค์มครรคนี้นำออกจากทุกอย่างสัมมาทิฏฐิใครจะคิดว่าความเข้าใจนะเป็นตัวที่นาออกจากทุก สมาธิเตี่ยความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องคําพูดที่ถูกต้องอสิ่งที่ทําคําที่พูดความรู้สึกนึกคิดทางกายวาจาใจเหล่านั้นคุณธรรมเหล่านี้เป็นตัวที่นําออกจากถูกมัสาระสําคัญที่สุดก็อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดคําพูดและเจตนาลมทางกายวาจาและใจเราจะทํายังไงให้เป็นไปตามอาริยมรรคมีองค์แปแล้วไปยังไงจึงจะเห็นอรยิยสัจจะทำทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้นก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อมาบอกมาแนะนํามาเปิดมาเ ป, ดเปิดเผยประกาศหนทางให้รู้ว่าข้อปฏิบัติทางข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อยังมานให้หลงนั้นทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสิ้นทุกข์นั่นเองัอแต่ถ้าหากว่าเราได้สะสมอัธยาศัยเหล่านี้เอาไว้แล้วเนี่ยนะถึงยังท่อง ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรแต่ไม่นานเท่าไหร่เราถ้าได้พบพระพุทธศาสนาการที่เราจะปฏิบัติตรัสรู้ตามก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเพราะอะไรเพราะเราสังสมความสะสมหรือเจริญมักมาแล้วเนี่ยนะเจริญปฏิปทาเหล่าต่างๆมาแล้วพันการที่จะตรัสรู้ในอนาคตต่อไปก็ไม่ใช่ปัญหาพันที่สําคัญก็คือสะสม อัธยาศัยในองค์มรรคแดให้ดีๆมีอัธยาศัยที่จะเจริญตามอริยมรรคแต่ละองค์แต่ละองค์แล้วก็เจริญให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะสักวันหนึ่งก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้เนี่ยนะนี่มาขึ้นต้นกับนี้เลยนะกับนี้ถ้าจริงถ้าพูดถึงกับนี้เลยนะทั้งการแรกแรกเริ่ม เ, เ, เ, เ, เดิมทีคนที่อยู่อะไรนะต้นกําเนิดกับเนี่ยนะต้นยุค ก, กาเนิดกับหรือว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ย ท่านเป็นพระเจ้าสมมุติเทพนะพระเจ้าเอาอไปพระเจ้าสมมุติเทพเป็นกษัตริย์องค์แรกของกัปนี้ก็คือพระโพธิสัตว์ของเรานั่นแหละนะถ้าจะกล่าวตามตำนานที่มันยาวเฟื้อยมาอย่างนั้นแต่ว่าในการศึกษาพุทธวงศ์นั้นไม่ได้ศึกษาความเจริญขึ้นความตั้งอยู่ความเสื่อมไปของกัปแต่จะหยิบยกเอาข้อความบางตอนบางส่วนของกัปเรียกว่าเรื่องราวที่เป็นไปบางช่วงของกัป โดยเฉพาะช่วงที่มีแสงสว่างจากพุทธรัตนะแสงสว่างจากพระพุทธเจ้ามากล่าวมาบอกเท่านั้นนะสรุปทบทวนว่าหลังจากสมัยของพระพุทธเจ้าพระนาวาเวสภูผ่านไป29กับมันมาจดถึงกับปัจจุบันคือพัฒกับนี้ก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่ากะกุสันทะเป็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าะนะเป็นผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ นะใครๆคนอจะนับจะประมาณคุณของพระพุทธเจ้าได้ภาษารีบ ท, ท่านบอกว่าแผ่นดินเนี่ยนะถ้าจะวัดแผ่นดินแผ่นดินก็ยังวัดหมดแต่พุทธคุณวัดไม่หมดน้ําทะเลก็ยังวัดหมดยังตวงหมดถ้าใช้เครื่องคํานวณก็สามารถที่จะคํานวณหมดว่าน้ําทะเลเนี่ยมีกี่ตารางกิโลเมตรยังไงนะก็สามารถคํานวณได้แต่พุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีผู้ใดคํานวณได้หมดนะ หรือว่าอากาศก็ยังพรอาจจะว่าเยอะแต่ก็ไม่ได้ดีเหมือนกับพระพุทธคุณอากาศถึงจะ ก, กว้างใหญ่ไพศาลพระพุทธานก็กว้างใหญ่ไพศาลแต่อากาศกับพระพุทธยานเทียบกันไม่ได้เลยอากาศไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณมีอริยคุณเช่นกับพระพุทธเจ้าวัตดินน้ำไฟลมไม่ได้มีอริยคุณไม่ได้มีพระพุทธคุณเช่นกับ พระพุทธเจ้าผัสพระองค์เนี่ยจึงเป็นผู้มีเดชรุ่งเรืองเนี่ยนะเป็นผู้มีเดชเรื่องเรืองด้วยคุณธรรมทั้งหลายผันพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญบูชาขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ผู้อันใครใครเข้าเฝ้าได้ยากหมายถางว่าเข้าเฝ้าหนึ่งจะได้เกิดในยุคสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากเรียก ว, ว่าสมัยพุทธ บ, บาทการ พุทธอุปาทาเนี่ยนะอุปาทาแปลว่าการเกิดขึ้นคนที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะว่ามีครั้งคราวเท่านั้นเองเพราะถ้าหากว่าเกิดเกิดก่อนหรือไปเกิดทีหลังไปแล้วเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ได้พบมีไหมอะไรหรือไม่หลุดจักรวาลไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะหรือว่าไปเป็นแบบอะไรพวกมัวแต่มัวแต่ทำมาหากินก้มดูดินอยู่นั่นแหละเลยไม่ได้เงยดูหน้า พระพุทธเจ้ามันยากที่บุคคลจะได้เข้าเฝ้าพมันคนทุศีนทั้งหลายก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ยาก <c oughs> สมัยพุทธกาลนั้นถ้าหากว่าพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งมีข้อปฏิบัติที่กินแหนงแข็งใจยอยู่โดยมากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้นะมันรู้สึกว่ามันไม่ยอมเข้าเฝ้าเลยนะละอายใจมากเ <c oughs> มือนก็บใครแต่งตัวไม่เสร็จไม่อยากเดินเฉี่ยวหน้าไปใกล้กระจกฉะนั้นเนี่ยนะ แต่งตัวไม่เสร็จจะไม่นุ่งผ้าอะไรก็ไม่เรียบร้อยเห็นกระจกใสมองเห็นตัวเองทุกด้านหมดเลยเนี่ยนะนะอยากจะเดินผ่านไปแถวนั้นไม่บอกเลยยากเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็ฉันั้นพระ อ, องค์รอบรู้สรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันบุคคลถ้าหากว่าไม่ไม่มีความจริงใจไม่มีความสุดจริตใจจริงๆแล้วยากที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ได้หรือไม่มีอุปนิสัยไม่มีอัธยาศัยที่จะบรรลุมรรคผลก็ยากที่จะเข้าเฝ้าได้ถึงมีอัธยาศัยก็ต้องกาลันอยู่ รู้การว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์เวลาไหนจึงจะเหมาะสมเนี่ยนะพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับกาลันยูพุทธศาสนาให้ความสำคัญหลายอย่างหนึ่งหนึ่ง อัดันอยู่ทำมันอยู่ปริสันอยู่ก็คือให้ความสําคัญกับเหตุกับผลหมายคือว่าต้องรู้เหตุนะต้องรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บริษัทรู้ความสมควรหรือไม่สมควรเรียกว่ารู้ประมาณรู้มัดตันอยู่รู้ประมาณว่าแค่ไหนจึงจะเหมาะสมแค่ไหนจึงจะสมควรสรุปว่าพระองค์ไี่ยากที่จะเข้าเฝ้าวังนั้นหรือเข้าเฝ้าได้ยากโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้านั้นยาก เอาเวลาก็มีเนี่ยบอกก็ใจมันก็ไม่อยากเข้าเฝ้าอีกนั่นแหละต่อไปบอกว่าพระองค์เนี่ยนะทรงเพิกถอนภพทั้งปวงคําว่าเพิกเพิกภพเนี่ยก็คือเพิกภพขึ้นชื่อว่าภพต่อด้วยอะไรชรามรณาโสกกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาถ้าจะเพิกไม่ให้มีภพชาติชรามรณาโสกกะปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาถอนอะไรถอนรากแห่งภพคือตันหา ตันหาเป็นตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานถ้าถอนตันหาและอุปาทานก็เชื่อว่าเป็นอันถอนพบเมื่อถอนพบก็เป็นอันถอนชาติเมื่อถอนชาติชารามรณะโศกปริเทวะทุกตอมนัสและอุปายาตก็ถูกเพิกถูกถอนโดยสิ้นเชิงที่นี้ถามว่าแม้ตันหามันจะเพิกกันได้ไง่ายหรือบอกไม่ง่ายถ้าไม่ถึงฝั่งยากที่จะเพิกตันหา อย่างหลายท่านเขาบอกว่ามีความเห็นบอกพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องละเรื่องปล่อยเรื่องคลายทั้งนั้นเลยบอกถามว่าใช่ไหมบอกถูกต้องเป็นเรื่องละเรื่องคลายแต่ถามว่าละกับไม่ละอันไหนดีกกันนะก็ต้องมาช่างแบบนี้นะคือคนนี้เข้าใจว่าถ้าถ้าละคลายนี่มันแหมมันเดือดร้อนมากเลยนะมันทุกข์แหมต้องจากนะต้องละต้องคลายต้องปล่อยแหมมันทุกข์เหลือเกินมันจะต้องสูญเสียสิ่งอันเป็น ที่ตัวเองต้องการสิ่งสูญเสียสิ่งที่ตัวเองเจริญใจหรือสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยนะแม้การเสียสละคําว่าสละนี่มันทุกแท้พุทธศาสนาเป็นเรื่องการละหมดเลยโอ้ไม่เรียนแล้วว่างั้นบางคนเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่น้อยเลิกศึกษาคําสอนเพราะอะไรเพราะเป็นคําสอนที่ให้ละฉันไม่อยากละอะ ฉันก็มีความสุขของฉันดีอยู่แล้วอันนะมีความสุขมีความเพลิดเพลินมีแต่เรื่องที่น่าพอใจอยู่แล้วทําไมต้องละด้วยทําไมต้องปล่อยด้วยทําไมต้องคลายด้วยเันนี้ฉันคนไม่ใช่น้อยเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่อยากจากก็เลยไม่ยอมศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะตัวเองยังไม่อยากสูญเสียยังไม่อยากจากยังไม่อยากพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเลยนะก็เราก็ถ้าหากว่าผู้ที่ ค่อยๆทำความเข้าใจสักเล็กน้อยค่อยๆคิดตามสักนิดหน่อยเนี่ยนะก็จะเห็นเหตุผลว่าอ่อย่างในวัตถุที่เรายึดถือว่าเป็นเราและยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะในวัตถุทั้งหลายที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะถามว่าที่เรายึดถือเพราะเราคาดหวังว่าสิ่งนั้นจะให้ความสุขเราใช่ไหมนะที่เรายึดถือเราไม่อยากจากไม่อยากละ ไม่ต้องการสละไม่ต้องการสละธาตุดินไม่ต้องการสละธาตุน้ําไม่ต้องการสละธาตุลมและธาตุไฟที่เราไม่ต้องการจะสละสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะเราเชื่อว่าสิ่งนั้นให้ความสุขแก่เรานให้ความสุขแก่เราสิ่งนั้นเหมือนยั่งยืนแก่เราต่อไปสิ่งนั้นเหมือนเราเป็นเราเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนั้นเป็นของของเราสิ่งเหล่านั้นก็อํานวยผลให้เรามีความสุขอยู่ได้แต่สุขเหล่านั้นเนี่ยนะสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเมื่อสุขหมดไปอะไรตามมาทุกขก็ตามมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขเล็กน้อยทุกอันหาประมาณไม่ได้ น, นะเขาบอกว่าความสุขเช่นกับอันนนเขาเช่นกับอะไรฟ้าแลบแต่ความทุกข์เหมือนกับคืนเดือนมืดทั้งคืนน่ะนะความสุขอาจจะมีบ้างครั้งคราวชั่วฟ้าแลบแต่ที่เหลือก็ทุกข์ทางนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราจากความสุข No เช nice ่นการมาสุขเป็นต้นรอกหมายความว่าพระองค์ไม่ต้องการตัดความสุขหรอกแต่พระองค์ต้องการให้ได้รับความสุขมากกว่านั่นนะต้องการให้รับความสุขมากกว่าถ้าเธอออกจากการมาสุขเธอไปบริโภคเนคขมมาสุขเธอจะมีสุขยิ่งกว่าเป็นสุขที่ไม่มีโทษในปัจจุบันไม่เป็นสุขที่ไม่มีโทษในสัมปร이าภพต้องการให้ได้รับความสุขที่ดีกว่าประนีตกว่าประเสริฐกว่านั่นเอง พันจึงให้ละสุขเล็กน้อยนี้เสียเพื่อไปเอาสุขชั้นสูงต่ อ, ตอไปทีนี้สุขในสมถะวิปัสสนาทั้งหลายสุขเหล่านั้นก็ไม่ถึงเศษเสี้ยวแห่งสุขในมรรคผลนะสุขในมรรคผลเป็นสุขที่แท้จริงเพราะมีพระนิพพาน อ, นอันเป็นอ ม, มะตะสุขเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นไปประสบสุขที่ดีกว่าสูงกว่า เป็นสุขที่ไม่เดือดร้อนในปัจจุบันและสสำปรายพภพมีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยเนี่ยนะพันคนที่สมบูรณ์ด้วยกามาสุขไม่ใช่ว่าจะสุขทั้งวันทั้งคืนได้ที่ไหนปเปาไหมาพระเจ้าพิมพิสารมีความสุขทั้งวันทั้งคืนได้ไหมบอกไม่ได้แต่ผู้ที่เห็นอริยสัจจะให้นั่งอย่างเดียวมีความสุขทั้งวันทั้งคืนก็ ได้เพราะประดิษฐานเข้าพระสมาบัติก็มีแต่สุขโดยส่วนเดียวหรือว่าไม่ต้องการความสุขขอทุกเช่นนี้ตลอดไปบอกไม่เพรา ะ, ะนั้นคำว่าละคลายนั้นอ่ะคือละความสาคัญว่าเป็นของเราเป็นอัอตราของเราเป็นต้นเถอะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความสุขที่แท้จริงในอนาคตเนื่องจากต้องการให้ได้รับความสุขที่ดีกว่า ประนีตกว่าหน้ายกย่องมากกว่าหน้าสรรเสริญมากกว่าที่เรียกว่าเนคข ม, มสุขวิเวกสุขสุขในสมถาวิปัสนาสุขในมรรคผลและพระนิพพานพระองค์ไม่ใช่ต้องการตัดความสุขแต่ว่าอย่ายินดีในสุขเล็กน้อยเลยเนี่ยนะอย่าไปยินดีในสุขที่มีโทษเลย พงค์ต้องการอย่างนั้นเพะนั้นบางคนเนี่ยศึกษาพระธรรมโดยไม่เข้าใจบอกว่าเออเนี่ยพระพุทธศาสนามีแต่เรื่องละมีแต่เรื่องปล่อยมีแต่เรื่องคลายโอ้ยฉันละไม่ได้หรอกเนี่ยนะแต่ว่าไม่พยายามเถ้าหากว่าทําความเข้าใจว่าทําไมหนอพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารังเกียจขให้เราจะมีความสุขใช่ไหมพระองค์เนี่ยผูกเวรกับเราใช่ไหมให้เราต้องเดือดร้อนตลอดให้เราต้องลําบากตลอดให้เราต้องเครียดตลอดให้เราต้องอึดอัดตลอดให้เราต้องจากแต่ของที่เรา รักพระองค์เป็นบุคคลเช่นนั้นหรือทำไมใจดำจังเลยเป็นอย่างนั้นไหมบอกไมเนี่ยนะพระองค์ต้องการให้เราได้รับสุขที่ดีกว่าสุขที่ประนีตกว่าเนี่ยนะซึ่งเป็นสุขชั้นสูงสุขที่ปราศจากทุกโดยส่วนเดียวเป็นสุขแท้เนี่ยนะได้รับสุขแท้ๆนะไม่ต้องการให้ต้องติดอยู่ในสุขเล็กน้อยซึ่งสุขเหล่านี้มันเดือดร้อนต่อไปในอนาคต <c oughs> มันพระองค์จึง ถึงฝั่งแห่งภพทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะพระองค์นี้เสด็จถึงฝั่งแต่ว่าก่อนที่จะเพิกถอนภพถึงฝั่งแห่งพระนิพพานถ้าไม่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยจะสําเร็จได้ไหมะนะมันพระองค์เนี่ยที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถึงฝั่งแห่งการให้ทานให้ทานจนครบถ้วนเต็มบริบูรณ์จึงเป็นพระพุทธเจ้าได้รักษาศีลจนเต็มบริบูรณ์ จเจริญเนข ม, มะจนเต็มบริบูรณ์จเจริญปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาบารมีสิบอุบปบารมีสิบปรมาภิารมี10บมหาบริจาคหาเป็นต้นเนี่ยจะต้องเต็มบริบูรณ์พันพระองค์นั้นจึงเพิกถอนพบถึ ง, ถงฝั่งพระองค์ก็ทําลายกรงคือพบเหมือนราชสีทําลายกรงเช่นั้นบอกว่าในความรู้สึกของ พโยคาวจรที่เจริญวิปัสนาชั้นสูงมองเห็นอารมหกในทวารหกนะมองเห็นรูปารมทวารตามองเห็นสัทธารมทวารหูมองอรู้คันธารมทวานจมูกรู้รัสารมทวานลิ้นรู้โพธพาอารมทวานกายนึกคิดอารมทั้งหกในทวารใจท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือคุกชัดๆมันก็คือมันก็คือคุกที่ขังมีแต่ความอึดอัดมีแต่ความคับแคบ ถ้าไม่เห็นใจจะคับแคบไหมไม่คับแคบถ้าไม่ยินใจจะคับแคบไหมถ้าไม่มีทวารหเลยใจจะคับแคบไหมมันก็บอกว่าขั้นก็มองเห็นว่าภพเหล่านี้เหมือนกับกรงเนี่ยนะขังเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ถูกลงโทษ ด, ด้วยชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาตอาศัยสมถะและวิปัสนาทําลายซี่ทําลายกรงเนี่ยนะทำลาย ตัวที่เป็นโซ่เป็นที่คุ้มครังเอาไว้ในวัตตะทำลายพระ อ, องค์ก็บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ยนะก็รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องอาณาปานสติอนะอาณ า, า, าปานสติแล้วก็ได้ฌานสี่ปุเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามจุตูปปาตญาณในมัชิมยามปัชิมยามก็อาสวัคคยญาณพร้อมกับรุ่รงอรุณขึ้นมา อรหัตมัคคยานสัพพัญยุตยานเป็นต้นก็เกิดขึ้นสําเร็จกิจในความเป็นพระพุทธเจ้าก็บรรลุโพธิยานอันสูงสุดนะขณะที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามต่างๆจะตามมานะพระองค์ก่อนหน้านั้นจะไม่เรียกพระองค์ว่าเป็นพระอรหันต์เลยจะเรียกพระองค์ว่าเป็นพระอรหันต์ตอนที่ตรัสรู้แล้วว่าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอนที่เป็นพระอรหันต์ตอนที่ เรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะก็ต่อเมื่อพระองค์เป็นพระอาหารหันต์เรียกว่าพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วก็หลังจากที่พระองค์สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เรียกว่าพระองค์ผู้รู้แจ้งโลกโล ก, กวิชูก็เมื่อพระองค์เป็นพระอาหารหันต์หลังจากอารหัตผลเกิดขึ้นนะทำให้แจ้งอรหัตผลในลําดับอรหั ต, ตมรัค พระนามต่างๆก็ตามมาเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสาธาเทวมนุษยานังพุทโธพควาหรือว่าพระตถาคตหรือว่า พระนามว่ามหาวีระเจ้าพระโลกกนาตพระนามทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเช่นพัทสพนพระผู้ทรงวิชาสามพระผู้มีปฏิสัมพิทาสี่พระผู้มีอภิญยาหกพระนามทั้งหลายเหล่านี้ก็หลังจากที่ตรัสรู้ก็ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมในความเป็นพระผู้ท่าเจ้าเหมือนอย่างพระราชาได้รับอภิเสกแต่นี้พระองค์อภิเสกโดยธรรมเรียกว่าอภิเสกโดยสัจจะอภิเสก อันนี้เป็นพุทธาพิเศษแท้ๆอันนี้เป็นพุทธาพิเศษอภิเศ ก, กจากโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่สร้างบารมีจนครบถ้วนชนะกิเลสมารเป็นต้นได้เสร็จสิ้นก็อภิเศกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสัจจาพิเศษนะอภิเศกสัจทุกขสัจโดยการกาหนดรอบรู้อภิเศกนะอภิเศกในสมุทัยศาตร์โดยการละอภิเศก นิโรศสัจจะโดยการทําให้แจ้งอภิเสคมกษัตริย์โดยการเจริญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรียกว่าอภิเสกสําเร็จเป็นความเป็นพุทธพุทธก็คือผู้รู้รู้อริยสัจสี่เตื่นตื่นจากการหลับด้วยกิเลสนิทราเบิกบานด้วยพระสัพพัญยุตยานทั้งหลายเป็นผู้ที่รู้สัจจะแล้วให้ผู้อื่นรู้สัจจะด้วยเป็นต้นนั้นก็พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็เกิดขึ้นในโลกต้นกลับนี้นะต้นกลับที่เราอยู่ณนะปัจจุบันเมื่อ โอ้หลายแสนหลายโกดล้านล้าลานล้ า, า, านปีนานมามากแล้วเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะเกิดขึ้นเมื่อพระกากุสันทะพุทธเจ้าผู้นำโลกทรงประกาศพระธรรมจักอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็ได้มีแก่สัตว์สี่หมื่นโกดเนี่ยนะหมายความว่ารวมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยประมาณสี่ 0,000 ื่นโกดพระกระกุสันทะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ทำยมะกะปาฏิหารณ์พื้นนภากาศ แสดงว่าแสดงย้งมากาศปาฏิหาริย์กลางอากาศทรงยังเทวดาและมนุษย์ประมาณสามหมื่นโกธให้ตรัสรู้เนี่ยนะเพราะว่าสมาคมนั้นสมาคมใหญ่นะผู้ที่สั่งสมบุญมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสิขีเวสภูพระพุทธเจ้าวิปสัสสิปุตสะติสสะแสดงว่าเขาที่สะสมะบุญบารมีจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนนี่มีมาก ก็อย่าลืมว่าจวบตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันผู้ที่ทาพุทธบูชาธรร ม, มบูชาสังฆบูชาบูชาพระตนะไตรด้วยการฟังธรรมศึกษาพระธรรมปฏิบัติตามธรรมบูชาด้วยวัตถุและการปฏิบัติถามว่าตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันในีผู้ที่บูชาทั้งมนุษย์และเทวดานับได้เท่าไหร่แล้วนับได้เท่าไหร่ โอยหาประมาณไม่ได้เยอะไอ้พวกที่เยอะๆเหล่านี้แหละจะเป็นบุญเป็นวาสนาให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำบุญพุทธบูชาทำด้วยความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณเป็นต้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเหล่านี้จะเป็นะจะเป็นบุญเป็นวาสนาให้เขาได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะเขาเห็นด้วยกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเขาก็มีส่วนที่จะตรัสรู้ตาม พระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยนะนั้นทายังไงเราจะได้เห็นด้วยมากๆเข้าใจเลยว่าที่ท่านตัดสรู้ตัสรู้อะไรถ้าเราเข้าใจเท่าใดรู้เห็นเท่าไรมีใจยินดีเพียงใดเราก็มีตรมีส่วนที่จะได้ตัดสรู้เพียงนั้นแต่ถ้าเราค้านเท่าใดก็ห่างไกลเพียงนั้นเนี่ยนะไม่เห็นด้วยส่วนใดก็ก็ยากเพียงนั้นนั้นที่สำคัญนั้นจึงต้องโอนโอ น, โอนเรียกว่าโอนหรือ เอนหรือว่าน้องไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะให้มากๆก็จะเป็นบุญเป็นวาสนาให้เราตรัสรู้อย่างสูตรนีบอกว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันท่าเนี่ยนะสแสดงธรรมจกักรบรรลุ4ี่0 0ื่นโกเ่กี้เราก็สาธยายธรรมจกักรแสดงว่าถ้าสาธยายเข้าใจดีๆเนี่ยมีอุปนิสัยได้ตรัสรูต้ต่อไปในอนาคตนะเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะ เพราะว่าบรรลุมันต้องอินทรี่ห้ก็มาไล่เช็คดูว่าศรัทธาในโสตาปฏิยังฆะทำดีไหมวิริยะในะ ว, วิริยินทรีย์ในสัมมาประธานสีดีไหมสติินทรีย์ในสติประธานสีดีไหมสมาธินรี่ในอุปจาระอัปนาสมาธิรวมทั้งฌาน4ี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างปัญญินรีนย์ในอริยสัจ ท, ที่มีกรรมสกตาเป็นบาสนี่ดีขนาดไหนก็มาเช็คดูใกล้หรือ ย, ยังอะนะถ้ายังก็สวดไปก่อน ถ้าทำอะไรได้นะาไม่สวดก็เพ้อเจออีกแล้วยังไงก็ยังไงยังไงก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลเถอะตามเชิญพุทธานุสติต่อไปหลังจากที่พระองค์ประกาศสัจจะสีแกนระเทวยักเนี่ยนะแสดงธรรมให้ยักฟังเนี่ยก็มีธรรมาิสมัยอภิสมัยโดยทั่วไปแปลว่าการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะธรรมะหมายถึงสัจจะอภิสมัยก็การตรัสรู้สัจธรรมส ก็มีแกสัตว์นับจำนวนไม่ท้วนเนี่ยนะบรรลุตามมากมายหลังจากที่ประกาศอริยสัจให้แก่นระเทวยักฟังพระผู้มีพระภาคเจ้ากะกูสันทะทรงมีสันนิบาตการประชุมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่ครั้งเดียวเท่านั้น น, นะเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานะพระองค์ก็มีสาวกสันนิบาตครั้งเดียว ครั้งนั้นเป็นสันนิบาตประชมพระสาวกสี่หมื่นผู้บรรลุภูมิของผู้ที่ฝึกเสร็จแล้วเนี่ยนะผู้ฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ฝึกใจครับมีกายอันอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วมีปัญญาอันอบรมแล้วหลุดพ้นจากอาสวะแล้วเพราะไม่ถือมั่นว่าพบสามกำเนิดสีว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาปฏิบัติเพื่อเบื่อนายและ คลายกำหนักเรียกว่าฝึกด้วยสมถะและวิปัสนาเสร็จสิ้นแล้วเพราะสิ้นหมู่กิเลสมีอาสวะเป็นต้นภาค ข, ข, ข, ขีนาศพทั้งหลายผู้สิ้นอาสวะเนี่ยนะก็คื อ, อทําบอกว่าสิ้นกิเลสเนี่ยนะบอกแม่เสียดายจังเลยไง น, นะบอกว่าขจัดความเศร้ามองออกไปเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะไม่มีความเศร้ามองความขุณมองความหม่นมัวความเจ็บปวดเล่าร้อนเหลา่าใดที่เกิดจากหมู่กิเลส พาอาหารทั้งนั้นเหล่านั้นก็ละได้เสร็จสิ้นแล้วียดว่าเลิกอักเสบทางความคิดสักทีหนึ่งนะมันไม่งั้นเนี่ยถ้าใจของคนมีกิเลสเนี่ยเป็นใจที่อักเสบทางความคิดระคายเคืองอยู่ตลอดเวลารับเรื่องนิดหน่อยก็เคืองอีกล้รับเรื่องนั้นหน่อยก็เคืองรับเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจพวกนี้อักเสบทางความคิดมากเพราะฉะนั้งเจริญอริยมรรคเนี่ยนะเป็นยาคิดว่าปฏิชีวนะชันดีรักษายารักษาอักเสบทางความคิดเนี่ยนะก็เลิกอักเสบทางความคิดเลยคันเนี่ย บรรลุแล้วเรียไอ้เศร้ามองเนี่ยเป็นชื่อของความอักเสบทางความคิดอ่ะคำว่ากิเลสเนี่ยแปลว่าสิ่งที่มันเศร้าหมองหรืออักเสบหรือมันเร่าร้อนเนี่ยนะมันเจ็บแสบปวดร้อนด้วยอ่า น, นะหม้ว่าสิ่งใดที่เจ็บแสบปวดร้อนอยู่ในนั้นอ่ะนะอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยถ้าส่วนของรู ป, ปกายถ้าเจ็บแสบปวดร้อนแดงผึ่งแล้วก็เร่าร้อนเจ็บปวดมากเขาเรียก อ, อะไรเขาเรียกร่างกายที่ อักเสบอแล้วความคิดที่มันเป็นอาการคล้ายกันนะเรียกอะไรเรียกอักเสบทางความคิดต้องกินมกักมีองค์8จึงจะหายนะแคปซูลสแคปซูลแต่ละ1แคปซูลต้องตัวยาประกอบด้วยตัวยา8ชนิดเนี่ยนะถ้ากินชนิดหรือ2ชนิดไม่หาย ก็แม้กว่าจ ะ, ะแต่พระอรหันต์ท่านบริโภคธรรมะโอสถของพระพุทธเจ้าหายจากโรคภัยอันตรายโดยประการทั้งปวงจริงอยู่หลายคนบอกแม้กิเลส น, นี่เลวร้ายเหลือเกินวัตตานี้โหดเหี้ยมเหลือเกินแต่ไม่ยอมกินยาคือมรรคแดยังไงก็ไม่ไม่หายเนี่ยนะันจะต้องปฏิบัติเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์จึงจะพ้นไปจากทุกข์ได้ ทีนี้ถามว่าแล้วพระโพธิสัตว์ของเรานั้นได้เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัจกุสันทะอย่างไรนะก็กล่าวว่าสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ย น, นะเป็นกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้าเขมะเรียกว่าพระเจ้าปลอดภัยเหมือนกันเกษมเขมะเนี่ยแปลว่าปลอดภัยหรือแปลงองีกในเนีเ่ยก็พระเจ้าสบายใจเหมือนกันมีความสุขมากนะไม่มีเรื่องอะไรลำบากใจเลยพระเจ้าเขมะ พระองค์นั้นถวายทานจํานวนไม่น้อยในพระตถาคตและสาวกชิโนรสนะทำบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยกับพุทธสาวกทั้งหลายด้วยไม่น้อยนี่แปลว่าหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องนับว่าเท่าไหร่ถ้าพระราชาพระองค์นั้นถวายบาตรถวายจีวรถวายยาหยอดตาถวายไม้เท้าไม้มาสร้างถวายสิ่งของที่ท่านปรารถนาเหล่านี้เหล่านี้ถวายของล้วนแต่ดีๆท่านปรารถนาสิ่งใดท่านก็ให้สิ่งนั้น เขามีนะสมัยพุ้จการเขามีอุบาสกเขาก็บอกว่าอาหารเช่นนี้เป็นของชอบของเขาเขาก็เลยเอามาถวายพระพุทธเจ้าบอกงั้นหลักการที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ให้ของที่รักย่อมได้ของที่รักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอะไรเขาได้ที่มันเป็นของที่เขารักมากเขาก็เอาไปทําบุญอุบาสกคนนั้นก็เป็นเอตตทักคะในด้านการถวายของประณีตเนี่ยนะก็มีอยู่ท่านเดียวที่เป็นเลิศทางถวายของประนีตเพราะ่่่าเเเ้บบอกะไรททีีจจยัังใใหิมมต็ แต่เขาเป็นพร้าออนาคาเมนะนะเป็นพระานาคามีจุติจะอนาคามีพอเกิดเป็นในพรหมปั๊บเป็นพราอรหันเลยนะแต่ท่านก็ไปอยู่พรหมโอ้ยพรหมมาขอฟังธรรมท่านเยอะเนี่ยนะท่านก็แสดงธรรมท่านแตกฉานมากพูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราก็เหมือนกันเนี่ยนะก็ท่านก็ถวายแต่สิ่งที่ดีๆประให้แต่ของที่ดีๆแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เบื้องต้นเนี่ยนะท่านก็ทําบุญให้ปัจจัยสี่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถามว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะให้ของดียิ่งกว่านั้นตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านสามารถให้ข้าวของเครื่องใช้ให้ทั่วๆ่วไปที่เป็นของดีๆแก่ผู้อื่นแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ของดียิ่งกว่านั้นอีก เป็นพระพุทธเจ้าเป็นจะได้ให้ของที่ดีกว่านั้นให้โซดาปฏิมาศแก่เขาให้เขาพ้นจากอบายทุกขติวินิบาทนารกให้เขาพ้นจากกำเนิดเปรตอสุรกายและเดรัจฉานให้เขาพ้นจากการ จากคันสู่คันตัดปฏิสนธิในภพที่8ให้เขาเป็นพระสกทาคามีมาสู่โลกนี้แค่ครั้งเดียวให้เขาเป็นพระนาคามีไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในโลกนี้ปริณิพานในพรหมโลกเป็นธรรมดาให้เขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ให้เขาเป็นอสีติมหาสาวกให้เขาเป็นอัครสาวกช่วยสร้างฐานเป็นอุปนิสัยให้เขาตรัสรู้เป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าเป็นบุญเป็นวาสนา ให้เขาได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นจึงสร้างให้แต่สิ่งที่ดีเพื่อจะได้ให้ของที่ดีต่อไปในอนาคตยิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถให้เขาทั้งหลายได้สำเร็จประโยชน์ในโลกนี้ให้เขาสาเร็จประโยชน์ในโลกหน้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ฝ ต้องการจริงๆคือให้เขาได้รับประโยชน์อันสูงสุดคือการแทงตลอดอริยสัจธรรมเพราะว่าการแทงตลอดอริยสัจธรรมนั้นเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดแล้วพ้นจากภัยเนี่ยนะพ้นจากทุกขโดยประการทั้งปวง